เรื่องภิกษุอาบน้ำทวนกระแสสามเรื่องสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งลงอาบน้ำทวนกระแสน้ำอสุจิเคลื่อนท่านเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอบัตสังฆาทิเศษหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ท ร, รงทราบพระองค์ตรัสว่าภิกษุเธอไม่มีความประสงค์จะทำน้าอสุจิให้เคลื่อนไม่ต้องอบัตวงเล็บเรื่องที่สี่้า